หลังจากสำเร็จฌานแล้วพระเจริญก็ได้ร่มเรียนวิชาคาถาอาคมต่างๆจากหลวงพ่อเดิมผู้ซึ่งถ่ายทอดให้อย่างไม่มีปิดบังอําพรางพระหนุ่มเพลิดเพลินกับการเรียนรู้จนบางครั้งนึกอยากจะอยู่ครองกาสวพัสดอย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตภาพของแม่ประยงที่ท่านเห็นในนิมิตกรรมฐานคราวนั้นทำให้เกิดความรู้สึกหมดความยินดีพอใจ ในการมาคุณห้าและเริ่มมองเห็นทุกโทษของมันมิใช่เพราะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสดอกหรือที่ทำให้ชาวโลกต้องวุ่นวายอยู่ร้อนนอนทุกข์ด้วยว่าแย่งการมาคุณกันควรแล้วหรือที่ท่านจะดำเนินชีวิตแบบชาวโลกหลวงพ่อครับคาถาอาคมต่างๆที่หลวงพ่อให้ผมเรียนนี้ เขาเรียกว่าไสยศาสตร์ใช่ไหมครับพระหนุ่มถามสมภารวัดหนองโพขณะทาหน้าที่นวดให้ท่านถูกแล้วทำไมหลวงพ่อจึงให้ผมเรียนไสยศาสตร์ครับก็คุณชอบหรือเปล่าล่ะชอบครับนั่นสิเพราะฉันรู้ว่าคุณชอบจึงได้สอนให้คุณจะได้นำไปใช้ประโยชน์ ในวันข้างหน้าแต่ท่านก็มั่นใจว่าเมื่อคุณได้วิชาที่สูงกว่านี้คุณก็จะทิ้งไสยศาสตร์วิชาอะไรครับที่สูงกว่านี้ฐานอย่างใครรู้พุทธศาสตร์นะสิศาสตร์สำหรับคนตื่นเพราะพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่น บกาแต่ไซยศาสตร์ก็มีประโยชน์ตรงที่มันช่วยแก้ทุกได้ชั่วคราวมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้คุณจะได้ใช้มันช่วยเหลือเพื่อนม น, นุษย์ในระดับโลกียะมันยังมีประโยชน์แต่เมื่อใดที่จิตของคุณ เขาถึงโลกุตตะเมื่อนั้นไยศาสตร์ก็ไม่จำเป็นผมได้ยินหลวงพ่อพูดถึงโลกียะกับโลกุตตะหลายครั้งแต่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่หลวงพ่อจะกรุณาอธิบายให้ผมเข้าใจแจ่มแจ้งกว่านี้จะได้หรือเปล่าครับทำไมจะไม่ได้ละ่ะว่าแต่ว่า ท่านขอหลับสักชมโมงก่อนนะถ้าผมจะบอกว่าไม่ให้หลวงพ่อหลับละครับพระหนุ่มยว่วยเย้าไม่มีเสียงตอบจากภิกษุชาราเพราะท่านหลับเยแล้วพระเจริญยังคงทาหน้าที่นวดต่อไปทั้งที่อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมหลวงพ่อรูปนี้ท่านจึงหลับง่ายตื่นง่ายราวกับสั่งจิตได้ยางนั้นแหละ เมื่อครบหนึ่งชั่วโมงภิกษุสูงวัยก็ลืมตาพร้อมกับอธิบายว่าโลกียะแปลว่าเกี่ยวกับโลกคือยังเหนื่องอยู่ในโลกเรื่องของชาวโลกผู้ที่ยังคองอยู่ในโลกเรียกว่ายังอยู่ในระดับโลกียะ ซึ่งยังมีการแปร่ปรวนไปตามเหตุปัจจัยแต่ถ้าเข้าถึงระดับโลกุตตระก็เรียกว่าพ้นจากโลกเหนื้อโลกพ้นวิสัยของโลกอย่างเช่นสซยาส์ที่ทันโพดถึงเมือตะกียังเป็นโลกียะคือเมื่อมีได้ก็เสื่อมได้ ถ้าสูงกว่าสเยสาศาสตร์ขึ้นไปเขาเรียกว่าอภิญญาแปลว่าความรู้หยิ่งหยวดไม่ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระหมายความว่าอย่างไรครับพระหนุ่มดูมันว่าจะสงสัยหนักขึ้นหมายความว่าอภิญญา มีอยู่หกอย่างเป็นโล ก, กิยะเสหาเป็นโล ก, กุตระหนึ่งคนอยากรู้อีกไยไหมว่าอภิญญาหกมเอะไรบางภิกษุชราถามครับทั้งอยากรู้และอยากได้ผู้มาจากต่างถินตอบอยากได้อภิญญาหน่าหรือ ครับหลวงพ่อเดิมมองหน้าภิกษุหนุ่มนิดหนึ่งแล้วตอบว่าได้แนะ่ท่านดูหน้าคุณแล้วก็รู้ว่าคุณจะได้สักวันหนึ่งท่านหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งจึงพูดต่อแต่คุณต้องไม่สึกแม้ความรู้สึกอยากลาสิกขาในขณะนี้จะไม่รุนแรงเหมือนแต่ก่อน กระนั้นคำพูดของภิกษุชาราก็ทำให้พระเจริญถึงกับนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่แล้วจึงพูดขึ้นว่าไม่ต้องมีแต่ไม่ได้หรือครับลุงพ่อถ้าไม่มีแต่คุณก็จะได้แค่หาไม่ครบหกเพราะโลกุตตะอภิญญาคืออาสวัคยยานนั้น จะมีได้ก็เฉพาะพระอรหันต์ปุถุชนไม่สามารถมีได้ถ้าเช่นนั้นผมเอาแค่โลกียะอภิญญาก็พอแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าอภิญญาห้าอย่างนั้นมีอะไรบ้างหลวงพ่อกรุณาบอกผมด้วยเถิดครับแต่ถ้าทัานจะตังเงินใครว่า คุณจะต้องทำให้ได้ทั้งหกอย่างคุณจะว่ายังไงหลวงพ่ อ, อย่ามัดมือชกผมสิครับพระเจริญต่อว่าต่อขานถ้าทันมัดมือชกแล้วคุณจะหนวดให้ฉันได้หรือหลวงพ่อเดิมย้อนแม้หลวงพ่อแล้วก็ผมเพียงแต่เปรียบเทียบให้ฟังเท่านั้นผมหมายถึงว่า หลวงพ่อชอบบังคับไม่ให้ผมสึกถ้าผมจะบวชต่อก็ขอให้เป็นความสมัครใจของผมถึงอย่างไรผมก็รับปากรับคำกับหลวงพ่อแล้วว่าผมจะอยู่ครองกาสวัสดิ์ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้และจะทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาจนสุดความสามารถก็นั้นฉั้นเข้าใจแต่ที่ฉั้นอยากให้คุณ บวชต่อจนตลอดทีเวินนั้นท่านคำนึงถึงประโยชน์ของตัวคุณเองการทำประโยชน์ให้แก่พระาศาสนาเป็นปารหิตะปฏิบัติหมายถึงการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งดีแต่ก็ควรจะได้อัตหิตะสมบัติ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 ถ้าเช่นนั้นผมจะรับไว้พิจารณาลุงพ่ออธิบายอภิญญาห้าเธอครับลุงพ่อเดิมจึงตั้งต้นอธิบายว่าอภิญญาหา้าได้แกอิทธิวิธีหรืออิทธิวิทาคือความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธ์ต่างๆได้ทิพโสต ความรู้ที่ทําให้มีหูทิพย์เจโตปริยญาณความรู้ที่ให้กําหนดใจคนอื่นได้ปุเพนิว่าสานุตสติญาณความรู้ที่ทําให้ระลึกชาติและทิพจักขบความรู้ที่ทําให้มีตาทิพย์ ทำอย่างไรถึงจะได้อภินยาห้าอย่างนี้ครับต้องได้รูปประฌานและชนานาญด้วยวัสีทั้งหาอย่างที่ท่านเคยบอกคุณแล้วเมื่อได้รูปประฌานเวลาต้องการได้อภินยาก็ให้เข้าฌานตั้งแต่รูปประฌานที่หนึ่งไปจนถึงรูปประฌานที่สี่ ออกจากรูปฌานที่4แล้วจึงกำหนดจิตไปขอให้ได้อภิญยาถ้าเช่นนั้นผมก็ทำได้สิครับเพราะผมได้รูปฌานแล้วพระหนุ่มพูดอย่างยินดีแต่ต้องชำนานด้วยวสิทังหถ้าได้รูปฌานเฉยๆแต่ไม่ชำนาน คือไม่ประกอบด้วยวัสีทั้งห้าก็ไม่สามารถได้อภิญยาอีกประการหนึ่งก็อย่างที่ฉันพูดไปเมื่อตะกี้ว่าอภินยาหาย่างนี้เป็นโลกียะจึงมีได้แล้วก็เสื่อมได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับ เพราะการได้อภิญญาต้องเจริญชาญต้องให้ได้รูปชาญเมื่อใดประมาทชาญเสื่อมลงอภิญญาก็พลอยเสื่อมไปด้วยส่วนโลกุตระอภิญญาจะไม่เสื่อมใช่ไหมครับถูกแล้วอาสวัคยายาน ซึ่งเป็นอภิญญาข้อที่หกนั้นหมายถึงความรู้ที่ทำให้อาสวะสิ้นไปผู้ที่ได้อภิญญาข้อนี้คือพระอรหันต์หมายความว่าเมื่อบุคคลเกิดความรู้ที่ทำให้อาสวะคคือกิเลสหมดสิ้นไป เขาก็จะเป็นพระอระหันต์และจะไม่คืนกลับไปสู่ความเป็นปุถุชนอีกจึงเรียกว่าเป็นโลกุตตระอภิญญาเพราะได้แล้วไม่เส่อมแล้วจำเป็นไหมครับว่าคนที่จะได้โลกุตตระอภิญญาจะต้องได้โลกิยะอภิญญาเสียก่อนไม่จำเป็นในทางกลับกัน คนที่ได้โลกิยอาอภิญญาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้โลกุตาระอภิน ญ, ญาเพราะมันเป็นคนลเรีองกันลุงพ่อครับมันนี้เราคุยกันแต่เรื่องหนักๆทั้งนั้นผมอยากฟังเรื่องเบาๆบ้างอยู่ๆพระเจริญก็เปลี่ยนเรื่องเงินหรือคุณอยากฟังเรื่องเบาๆอย่างนั้นใช่ไหม ครับถ้าเช่นนั้นก็บอกมาว่าจะให้ฉันพูดเรื่องอะไรปุยนุ่นปุยฝ่ายหรือปุอยเมกภิกษุสูงหัยตั้งใจยัว่วไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับผมเพียงแต่อยากจะบอกว่าเปลี่ยนเป็นคุยเรื่องเบาสมองบ้างอ้าวก็เรื่องที่ท่านเสนอมา ก็เบาๆาทั้งนั้นนีดามันเบาเกินไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องปุยเมฆนั้นนอกจากจะเบาเกินไปแล้วยังสูงเกินไปอีกด้วยผมเกรงว่าจะเอื้อมไม่ถึงครับประเดี๋ยวใครไม่รู้จะหาว่าผมอาจเอื้อมเด็ดดอกฟ้ามาถนอมพระเจริญเปรียบเทียบไปอีกทางหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันสักนิดหลวงพ่อเดิมจึงพูดอย่างรําคาญรําคาญว่าเอาเถอะเอาเถอะ คุณจะให้พูดเรื่องอะไรก็ว่ามาฉันขี้เกียิเดาใจคุณแล้วพูดเรื่องสีกงสีกาบ้างสิครับมันทำให้ชุ่มชื่นใจดีอ๋อจะให้พูดเรื่องโยมแม่และโยมยายของฉันนะรเขาพากันตายไปหลายสิบ ป, ปีแล้วแต่ถ้าคุณจะเล่าเรื่องโยมแม่ กับยมยายของคุณฉันก็ฟังมาจนเบื่อแล้วหลุงพ่อเดิมตั้งใจยั่วอีกหลุงตาอุ้ยเดินผ่านมาได้ยินเรื่องสีกงสิกาก็หูพึ่งรีบเข้ามาสมทบทันทีท่านยังไม่จำวัดอีกหรือพระหนุ่มทักแบบแค้นๆยังไม่ง่วงพอดีผมไปฐานผ่านมาได้ยินท่านพูดเรื่องสิกงศีกา ก็เลยขออนุญาตมาฟังด้วยหลวงพ่อจะอนุญาตไหมครับพระเจริญถามสมภารวัดหนองโพด้วยตั้งใจจะแก้แค้นหลวงตาอุ้ยที่หลอกให้ท่านนวดถึงสามชั่วโมงช่างเขาเถอะคนอย่างตาอุ้ยชอบแสเรื่องของคนอื่นอยู่แล้วเรื่องของตัวเองก็เต็มเป้าเต็มกระเป๋า ยังชอบที่จะรู้เรื่องของคนอื่นภิสุกวัยร้อยเศษว่าตรงๆหลวงตาอุ้ยนั่งทําตาปริบๆไม่กล้าเถียงต่างเงียบกันไปครู่หนึ่งแล้วหลวงพ่อเดิมจึงพูดขึ้นว่าตาอุ้ยแกมาก็ดีแล้วท่านกําลังจะบอกอยู่เหมือนกันว่าแกน่ะเป็นพระในอุดมคติเช้านะ เคยมีคนบอกหรือเปล่าไม่เคยครับลุงตาอุ้ยตอบพาซื้อแล้วอยากรู้หรือเปล่าว่าพระในอุดมคติเป็นยังไงอยากครับงั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีพระเจริญช่วยเป็นพยานด้วยว่าตาอุ้ย เป็นอย่างที่ทัานพูดหรือเปล่าครับหลวงพ่อผมจะเป็นพยานให้พระเจริญตอบหลวงตาอุ้ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยคิดว่าภิกษุชรายกย่องตนหลวงพ่อเดิมจึงพูดเป็นคำคล้องจองว่าไปขอเขากินเรียกว่าบิณฑบาตโปรดสัตว์ กินแล้วนั่งหลับตาเรียกว่าภาวนาปฏิบัติถากินแล้วหลับสนิทเรียกว่าบำเพ็นกิ จ, จวัตรพูดมากนารำคาญเรียกว่าเชียวชานปริยัติเข้าป่าหลายปีเรียกว่า มีดีกรีชมัดพอออกจากดงก็ประสงค์จะสร้างวัดบ อ, นนบอกคนนู้นบอกคนนี้มาลงบัญชีเสียอัดบอกเล็กบอกหวยวังรวยทางลัดพอได้ที่มีสถาน หวังเป็นสมภารเจ้าวัดแจกเครื่องรางของคลังหวังจะดังเหมือนจุดประทัดพอมีเงินมีทองก็คิดจะครองครหัดเห็นสีกงสีกาก็ทาทายากจะฟัดพอศึกหาลาเพท เลยกลายเป็นเปรีดอยู่คางวัดลุงตาอุ้ยหน้างอเป็นม้าหมากักลุกพูดกระฟัดกระฟีดว่าหลวงพ่อเรื่องอะไรมาว่าผมอยู่ ด, ดีไม่ว่าดีแกโกรธละสิพระเจริญดูเอานะตาอุ้ยแกเป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่อะไรมาแล้ว เป็นยังไงครับหลวงพ่อพระหนุ่มถามยิ้มยิ้มก็พอพูดความจริงแก้จะกโกรธแต่ถ้าใครมาพูดโกหกให้ฟังแก้จะหัวเราะชอบใจเชียวละเอาไหนคุณเป็นพยานมาสิวะที่ฉันพูดมานิจริงหรือเท็จผมขอถอนตัวจากการเป็นพยานครับ ทำหมล่ะก็เมื่อกี้ตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือนั่นเพราะผมไม่รู้ว่าจะทำให้หนักอกหนักใจถึงเพียงนี้คือถ้าผมบอกว่าหลุงตาอุ้ยเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดจริงๆแกก็จะโกรธผมขันจะบอกว่าแกไม่ได้เป็นก็เท่ากับผมมุสาผมรู้สึกอึดอัดขัดข้องมากจึงขอถอนตัวครับเอาเถอะเอาเถอะช่วยกันว่าผมเข้าไป ผมมันหัวเดียวกระเทียมหลีบนี่ไม่เหมือนคนรูปลอมาอยู่ไม่ทันเท่าไรก็ได้เป็นที่โปรดปรานเสียแล้วหลุงตาอุ้ยว่าชดๆดห้อยคำที่แสดงออกมาเผยให้รู้ภายในใจว่าเต็มไปด้วยความริษยาพระเจริญเห็นแก่โกรธหัวฟัดหัวเวียงเช่นนั้นจึงวางหน้าเฉยไม่ยิ้มแยม้มและก้มหน้าก้มตานวดให้หลวงพ่อเดิมต่อไป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 ชะโงดูเงายัางไงละ่ะเท่านั้นแหละหลุงตาอุ้ยก็หมดความอดทนผลนผันลุกเดินกลับกุฏิไปทันทีถึงกุฏิก็นั่งงุดหงิดงุนงานอยู่ผู้เดียวชาชามาว่าเราได้เห็นสีกงสีกาทาทายอยากจะฟัด ตัวเองแกจนฟัดไม่ไว้แล้วนะสิถึงได้มาคอนคอดคอนหนุ่มยังเราแกคิดเข้าข้างตัวเองรู้สึกตะขั้นตะครอเมื่อนึกถึงสีกาทั้งที่ตัวเองก็วัยใกล้เข้าฝั่งเข้าไปทุกทีเมื่อเหลือกันเพียงลำพังหลุงพ่อเดิมจึงพูดขึ้นว่าอย่างตาอุยนี่ ไม่ถึงกับเป็นมารศาสนาหรอกเพราะมารมันทำลายตาคนนี้เป็นแค่มหมอดคอยชอนชัยให้ผุกรนท่านเปรียบเทียบคุณเชื่อไหมในอนาคตจะมีพระอย่างตาอุ่ยมากมายเกีวละพวกเขา จะไม่อบรมกายไม่อบรมจิตก็จะเป็นพระสุขดิบจะเอาทางโลกียะก็ไม่ได้ยิ่งทางโลกุตระยิ่งห่างไกลเข้าไปอีกเรียกว่าเอาดีไม่ได้สักอย่างเดียวแล้วเขาจะบวชทำไมล่ะครับแบบนี้เป็นครวาดดีกว่า พระหนุ่มพูดเสียงตำหนิบวชหากินนะสิบวชลอกลวงชาวบ้านไปวันวันคาถาอาคมอะไรก็ไม่เป็นเพราะมันได้ฝึกจิตไม่ได้บำเพ็ญฌานสู่ลุงตายีก็ไม่ได้รู้จักลุงตายีไมมหลักรู้จักครับท่านเก่งทางไสยศาสตร์มาก เห็นว่าญาติโยมลหลงไหลกันเหลือเกินมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วไปหมดนั่นแหละถึงแกจะไม่ได้เป็นพระที่เคร่งต่อพระธรรมวินยัยแต่เรื่องพลังจิตแกมีจริงแล้วก็ช่วยชาวบ้านได้จริงฉันหมายถึงในระดับโลกิยะเท่านั้นนะผมรู้จักหลวงตาี ตั้งแต่แกเป็นคาราวาสนะครับหลวงพ่อเห็นว่าเคยเป็นนักเลงมาก่อนบนหัวแกมี11แผลเพราะความที่เป็นอันธพาลชอบเกะกะระรานชาวบ้านตอนนั้นผมอายุ19ย่าง20สและเป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยขอจ้างไปตีรนาธฮลิเกเล่นตายีแกก็ไปแสดงลิเกกับเขาด้วยก็มีการจับแกใส่กระสอบมัดปากกระสอบให้แน่น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 มาบวชจึงเป็นที่เริ่มใสสศรัทธาของญาติโยมเพราะเห็นว่าเป็นพระดีมีวิชาพระเจริญเล่ารู้สึกมีความสุขที่ได้เล่าเรื่องราวแต่หนหลังุยชามันตองคู่กับเจรณนะจึงจะเป็นพระที่สมบูรณ์ชชยวาดีแต่สอนคนอื่นตัวเองทำตามในสิ่งที่ตัวสอนก็ไม่ได้ ฉันเห็นมันนักต่อนักแล้วพระบางรูปเทิดเกง่งดูภายนอกเป็นภูเกิงกรัดในพรหมจันทร์แต่หลังฉากโอ้โหเมียตังหลายคนแบบนี้เขาเรียกพวกหน้าดานไม่รู้จักอายตัวเองลุงพ่อชอบว่าพระภิกษุหนุ่มค่อน พระว่าพระก็ยังดีกว่าให้ชาวบ้านมาว่าอีกน้อยเถจะไม่มีพระว่าพระเพราะประพฤติเหมือนเหมือนกันเขาตำราไกเห็นตีนงูงูเห็นนมไกร้อนถึงชาวบา้านต้องพากันลุกขึ้นมาว่าแทน ไม่เชื่อคุณคอยดูไปก่นแล้วกันเพราะอย่างนี้แหละท่านถึงไม่อยากให้คุณสึกจะไดเอาไว้คอยว่าพระที่ไม่ดีไงละ่ะลุงพ่อแล้วก็ไปไปมามาก็มมนลงที่ผมอีกจนได้พระเจริญตัดพอนั่นเพราะท่านอยากให้คนได้ประโยชน์เต็มบริบูรณ์ น, น่ะสิ ทางประโยชน์ตนและประโยชน์หันคุณจะได้เข้าถึงโลกุตระภิกษุชราอธิบายเหตุผลเข้าถึงแล้วมันดียังไงล่ะครับหลวงพ่อดียังไงน่ารึก็คุณจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารนะสิการเกิดมันเป็นทุกข์ เมื่อมีการเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็ตามมาเพราะการเกิดมันพ่วงเอาทุกข์อื่นๆมาด้วยทั้งที่ตัวมันเองก็ทุกข์อยู่แล้วหากคุณปฏิบัติจนถึงระดับโลกุตระก็จะสามารถตัดพบ ตัดทอดไปได้ถ้าเป็นผู้ครองเรือนเข้าถึงระดับโลกุตระไม่ได้หรือครับพระหนุ่มถามก็ได้เหมือนกันแต่วิธีชีวิตของผู้ครองเรือนมันไม่อื อ, อํานวยต่อการปฏิบัติเพราะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพสมมุติว่า คุณศึกออกไปเล่นดนตรีเลี้ยงฉีบคุณจะมีเวลาว่างพอที่จะมาปฏิบัติหรือเปล่ายิ่งถ้ามีลูกมีเมียก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงดูเขาผมจะเลือกเมียรวยครับนั่นแหละเจะรยหรือจนมันก็ทำให้วุ่นทั้งนั้น บางคนเมียเดียวไม่พอต้องมีสองสามสี่แค่หาาเมียเมียไม่ให้ทะเลาะกันก็หมดเวลาไปวันหนึ่งแล้วลุงพ่อเคยเป็นอย่างนั้นหรือครับถึงไม่เคยก่อรูพวกพี่น้องลูกหลานชั้นมันก็เป็นอย่างที่ว่ามานี่แหละ คณก็เหมือนกันรับรองถ้าซึกออกไปหาเมียได้มากกว่าตาอุ่ยสเสีอีกเรื่องนั้นผมไม่ห่วงหรอกครับเพราะเป็นธรรมดาของคนรูปหล่อแต่ที่ผมฟังหลวงพ่อพูดเรื่องการเวียนว่ายผมก็ชักจะเบื่อเบื่อเหมือนกันการเกิดเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับหลวงพ่อท่าดีพระพุทธองค์ ก็คงไม่ตรัสหรอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุจจาระปัสสาวะน้ำลายน้ำน้องเลือดแม่มีปริมาณน้อยก็มีกลิ่นเหม็นชั้นใดเรายอมไม่สรรเสริญพบแม่มีปริมาณน้อยโดยที่สุด แม่เพียงลัดนิ้วมือเดียวฉันนั้นนี่พระองค์ตรัสอย่างนี้ลุงพ่อครับผมเรียนตามตรงว่าผมไม่อยากเกิดแต่ก็ยังอยากศึกครับพระหนุ่มทำเสียงล้อเลียน